เราก็ทําวัดสดบนเงนจบอีกวันหนึ่งอีกเช้าหนึ่งชาวันนี้ตามสมบัติบัญญัติของโลกก็กำหนดให้เป็นวันความรักษากลทีเดียวก็คือวันวาเลนไทน์ว่าเั้นกี่ชาติกี่ชาติวันนี้ก็ซื้อดอกไม้ดอกกุหลาบโดยเฉพาะอากาศดีวันนี้วาเลนไทน์ จริงๆแล้วเป็นวันตายของนักบนวาเลนไทน์แต่ว่าหลายคนเอามาฉลองความรักซึ่งมีต่อกันหลองคนสองคนจนใดพาประเทศไทยนี่ได้ชื่อว่าเด็กเกิดตอนนี้นะเป็นอันดับหนึ่งของโลก สี่คนต่อนหนึ่งนาทีคลอดกันมาจะเป็นปัญหาทำแท้งติดอันดับเลยการเกิดนี่มาเกิดมากรรมไม้กรรมรร ม, มือกรรมบัดกัดฟันกันร้องโ h ่ร้องไห้จะมาครองโลกกัน ตอนตายก็แบมือคลายเอาอะไรไปไม่ได้เลยทางชีวิตทำ ม, มาประถุหนึ่งสองามบุคคลหนึ่งจะลักแค่ไหนก็แยกกันก็ไม่จากเราเราก็จากเขาหลงสุขหลงสวยหลงรวยหลงดี หลงนะพอเร า, มาไม่พยายามหนึ่งเรที่ผ่านมาเราหลงหนึ่งนั่นแหละขณะปฏิบัติเรายัางหลงเลยห้มันไม่ได้ไม่้มันคิดมันก็ต้องคิดเงยไม่อยากคิดมันก็คิดไอตัวเกิดดาบตัวนี้มันถี่ยิบเลยทั้งวันมีความรู้สึกตัวแทรกแทรกแซงแสง ให้มารู้สึกตัวหเหนื้อเกิดเนื้อแก่เนื้อเจ็บเนื้อตายเรายามฝึกทวนมันจะคิดมันจะไหลไปตามความคิดปรุงแต่งตัวนำมารู้สึกเป็นปกติร่างกายเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวในพบแชดเนี่ยนะที่เราเชื่อว่าเกิดจากท้องแม่แล้วตายจากท้องแม่ อนนัการเกิดการตายแบบหยาบสุดๆที่เราสัมผัสกันได้แก่ตายเป็นผีลูกเมียปัวรักก็ชักหน้าหนีก็เหม็นซากผีเปื่อยเน่าผู้พองที่เราสวยมาสกักกู่เป็นลักษณะของร่างกายถิ่นเป็นธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมเกิดจากท้องแม่ตาย เราเข้าลรงเผาไปถ้าจิตใจของเราเนี่ยมันเกิดดับเกิดตายเกิดตายเกิดตายทียิบเลยเรื่องนี้มาพอเป็นเรื่องเก่าจบดับไปเรื่องใหม่มาอีกแล้วเกิดอีกแล้วเมื่อเกิดแก่เจ็บตายเมันก็คิดไปสักพักหนึ่งเริ่มแก่มีอาการเจ็บป Ł วดเกิดขึ้นมาเก็นเครียดเดี๋ยวสักพักอ่ะ หายไปอีกล้ความโกรธเกิดเกิดดับดับความรักเกิดเกิดดับดับความชังเกิดเกิดดับดับขาดสติรักมากก็ร้ายมากรักมากก็เรียกร้องมากเป็นความรักเตือนแก่ตัวมันไม่ใช่เป็นความรักที่มันเป็นความปรารถนาดีต่อกันเห็นเขาสุขเราสุขด้วยเห็นเขาทุกข์ช่วยกันให้หายทุกข์ เป็นความรักที่ต้องการเติมตัวเองให้เต็มมันก็ขาดทุกคนไมมีใครเติมให้ใครได้หรอกต่างคนต่างขาดมาเจอกันท้ายสุดมันก็ต่างคนต่างแยกกันไปละจะรักกันขนาดไหนท้ายสุดก็มันได้อยู่ด้วยกันถ้าเราเห็นอาการเกิดดับไปในกายในใจของเราเนะ่ยขนาดปฏิบัติธรรม ยาบก็เกิดดับร่างกายของเรากะพริบตากะพริบตากะพริบตาเยอะนั่นนะหายใจหายใจหายใจหายใจอยอะนั้นนะนั่งเดินยืนนอนนั่งเดินยืนนอนนั่งเดินยืนนอนอยู่นั่นนะมันมีอาการเกิดดับอันนี้ก็ยาวจิตคิดอันนี้ละเอียดนิดนึงแต่ก็ยังยาวอยู่ดีมันมีกามคิดแบบยาวแบบละเอียดอีก อาการทางจิตแบบหยาบแบบละเอียดอีกนะอันนี้ละตายไปไม่มีซากเป็นอุปทานยรูปนะร่างกายเป็นมหาปูถารูปแต่ว่าจิตใจเป็นอุปทานยรูปเกิดดับทียิบเลยต้องใช้ลักษณะของชาปน ก, กิจที่เป็นเรื่องของฌานมันเะป็นเพลงเผาเลยมันเะป็นเพลงเผาอาการต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วทําให้นะวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปทางเสื่อม มันไม่มองพุ่งตรงสู่ความสุขสู่การพ้นทุกข์นี่นะความสุขที่เรียกว่าบุญไม่ใช่ความสุขที่ได้มาโดยมิชอบนีมันไม่ใช่สุขที่เกิดจากการเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นเช่นกินเหล้าสุขแล้วสูบุรี่ติดาเสพติดก็สุขล้อย่างเงี้ยอันนี้มเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่น แต่เป็นความสุขที่เกิดจากการให้จริงเป็นความปรารถนาดีเท่ากันจริง ๆ, ๆเป็นความสุขที่ได้มาโดยชอบจริงๆเรียกว่า บ, บุญเป็นความสุขที่อยู่ในโลกนี้นทำให้เกิดขึ้นในใจเราก็คือว่าจะเกิดความผาสุขไม่เบียเบียนตัวเองไม่เบียเบียนผู้อื่นขึ้นมาสังคมก็น่าอยู่ขึ้นมา กายก็ไม่เวียนเวียนวาจาไม่เวียนวียนเพราะว่าจิตใจมีความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวจะเป็นเรียกว่ากรอบเป็นขอบเป็นเขตให้จิตใจของเรามันอยู่ในแดนของปกติเป็นมาตรฐานเป็นลักษณะของคุณธรรมต่างๆที่มันช่วยเหลือเราอันนี้แหละเป็นเรื่องของ การปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวเป็นเรื่องการเจริญสติเป็นเรื่องความรู้สึกที่มันจะนำไปขณะหนึ่งรู้สึกกลางหนึ่งวินาทีหนึ่งเนี่ยรู้สึกกลางหนึ่งเคลื่อนไหวโดยการเจตนาบ้างโดยการไม่ได้เจตนาจะถูกรู้เท่ารู้ทันบ้างเภสติปัฏฐานมันว่องไวอยู่ในดแดนของ ไหวพิปติพานเป็นปัจจุบันขณะนี่เต็มนค้มครองก็เกิดความปลอดภัยขึ้นมามนเป็นตัวรับประกันทีเดียวแต่เรารู้สึกตัวอยู่กระทบสัมผัสอยู่นมันก็จะเป็นเรื่องของการรับประกันชีวิตจะไม่ไหลสู่ความเสื่อมแต่ว่ามันก็จะเห็นความจริงว่าเออกฎของธรรมชาติเนี่ยทงานอย่างตรงไปตรงมากฎของกรรมเนี่ยทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่เว้น นะเหมือนกับโบราณท่านเปรียบเทียบเอาไว้นะโคนะที่ลากเวียนไปลอกเวียนกหมุนตามรอยเท้าโคไปั้นนะั้นะคิดดีพูดดีทำดีก็มีอานิสงสนะ์เป็นความสุขเป็นบุญนะเป็นลษณะของการอยู่รอดปลอดภัยนะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมแต่ถ้าทำไม่ดีอรอยนะ บาปมันก็ตามข้างหลังมาด้วยความทุกข์มันก็ก่อตัวจากไม่กี่หัวเดียวนี่แหละะที่เราไม่รู้นะคิดไม่ถูกพูดไม่ถูกทําไม่ถูกมันยังคาราคาสั่งอยู่กันโคเดินไปไกลกไล็ไหลถ้าไหลล้อกเกวียนก็ตามไปใกล้เท้าใกล้ตัวโคเท่านั้นตัวนี้เราจึงไม่ประมาทกันเราก็พยายามที่ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นี่โดยความ มันออกมั่นใจว่าขณะเคลื่อนไหวมีความรู้สึกตัวแต่ลกะณ์ต่รกะณ์ตรรกะณ์เราเห็นถึงความปลอดภัยถึงจะเกิดลักษณะของกรดำขาวดำดําทั้งชีวิตได้ทําดําก็ทํำได้ทําขาวก็ทํำโดยที่ตั้งใจแล้วไม่ได้ตั้งใจโดยเจตนาหรือไม่เจตนามันก็เลิกแล้วต่อกัน มีกราะคุ้มครองมีความปลอดภัยเรามีศีลเราอยู่ในวงของสายศีลผีความเชื่อความไม่ดีมันก็เข้ามาไม่ได้อยู่ในวงของศีลอยู่ในสายศีลเนีน่ยหนังผีมีสายศีลเห็นไหมฉะแล้วมันเข้ามาไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ในวงที่มันมีความปลอดภัยสูงพอมาแตะปั๊บมันจะรอนทันทีนะผีนะ ผีนี่พอมันแตะสายศีลมันแตะศีลนี่มันมันอยู่ไม่ได้เลยนะเหมือนกับคนปฏิบัติในเวลาเราปฏิบัติเราสังเกตนล้ถ้าจิตร้อนขึ้นแสดงว่าอนะไรเป็นจิตผีอย่างนั้นนะนะเราหลอกคนอื่นได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้ปฏิบัติปั๊บมันจะร้อนทันทีร้อนลนทันทนะีคือผีผีมาแตะศีลก็นนะแต่ถ้าเราเป็นมนุษย์นะ เราก็แตะได้ไม่เป็นไรเป็นพระนี่แตะได้ยิ่งสบายเลยนะพระนี่ต้องมีศีล น, นะแต่ว่าคนตายผีนี่มันมันร้อนมากนะพวกผีทั้งหลายนะแต่พระนี่พร้อมเผชิญนะตายกไม่ได้วันไหวอะไรเพราะเราฝึกมาดีซ้อมมาดนะีการแก่การเจ็บการตายก็เหมือนกาบการเกิดดับทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะมันเกิดขึ้น แล้วมันก็แก่แล้วมันก็เจ็บตายไปอย่างน้นนะการเกิดมีชาลาพุทธะนะสังเจตสังเจตชะนะแล้วก็อันทชะนะโอปปปาติกะมันมีอยู่สนะร่ลักษณะเนี่ยความรู้สึกตัวนี่มันผุดเกิดขึ้นมามันเป็นอาณาของโอปปปาติกะนะครงกล้งที่เรากระทบสัมผัสรู้สึกมันผุดเกิดขึ้นมาเป็นโอปปปาติกะมันจะเกิดเป็นอะไรล่ะทีนี้น เป็นเทวดาอันนี้ใจจะรู้สึกดีขึ้นมามีความสุขอยากให้นแะมก่ตั่งให้ตัวเองปฏิบัตินี่ก็ใช่นะมันจะตื่นขึ้นมาเลยรื่นเริงมากนะนะอันนี้เป็นาการผุดเกิดใหม่จิตของเราเป็นเทวดาเทวธรรมอยากให้ตัวเองพ้นทุกข์เลยนะนะเป็นพรหมสงสารตัวเองสงสารลักษณะที่เราปฏิบัติอยู่นะมันเห็นตัวเองนะ บางทีเราก็เคยใช้ร่างกายตัวเองแบบสมบุกสมบันมาบางทีเราก็ใช้ก็อดหลับอดนอนเพราะว่าพวกนี้จะได้ตังอีกแล้วะคืนนี้ต้องปั่นงานให้ออกมาให้ทันไม่ให้ผิดสัญญาเแต่และเดือนพวกนี้จะได้รับเงินสดขึ้นมาเราก็ใช้หามลูงหาข้ามบางทีก็เที่ยวแต่เล่ร่อนทั้งคืนจนทั้งไกยๆกับว่ามันเครียดนะ มันมีความรู้สึกว่าไม่ไม่มีความผาสุกขึ้นมาเกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมายอย่างี้นะเราก็เบียดเบียนมาพอเราปฏิบัติรรมาแล้วเราก็ใช้กายแบบเขาไม่รู้เรื่องเลยนะต้องหัวจรดเท้าก่อนทาดก่อนทำแต่จิตของเราก็เอาประโยชน์เบียดเบียนเงมนาสงสารมันก็สงสารขึ้นมาสงสารตัวเองขึ้นมาก็เป็นพรหม มีความเมตตาตเองถึงเวลานอนก็ น, นอนถึงเวลารับประทานก็รับประทานถึงเวลาทํางานก็นสังเกตดูอาการนี้ก็น่า จ, จะพอแล้วถ้ามากไปวันนี้มันก็อาจจะหักพังได้ก็มีการบรรยายนางรู้จักว่าแค่นี้คือความพอดีอันนี้ก็คือเมตตากรุณาพอยินดีกับร่างกายของเราที่ยังปกติดีอยู่เดินจงกรมได้นานๆรู้สึกว่าเออ ยังสามารถที่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นอุปกรณ์เป็นพวงแพรพายต่อค้าสู่ฝั่งของพรนานิพานหนึ่งนะเอามาฝึกมหาหัดให้จิตมันมีเครื่องเกาะอยู่ความเป็นวัตถุรูปธรรมกายกระจายอยู่ด้วยกันนะพัดภาคกันเมื่อไหร่มันก็กลายเป็นเรื่องการแตกแยกนะเป็นเรื่องของภพภูมิภายในจิตที่มันจะต้องเป็นไปตามยถากรรมต่อไปนะ มนโนกรรมกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างนะเราก็จะได้เห็นละกะนะักษณะปฏิบัติธรรมนะอาการต่างๆที่ปรากฏออกมาเลยเพราะอารมณนะ์หรือว่ารูปรอยนะที่เป็นของนามรูปนะนะมันเป็นรูปเป็นรอยจริงๆก็คือจิตคิดนะเวลาคิดคิดมาเนะี่ยมันเป็นรูปรอยเกิดดับไปในนะจิตของเรานะนะอาการต่างๆนะเราได้เห็นเลยนะ มันเกิดดับแล้วหณะของอุปทานยารูปเป็นอุปทานต่างๆที่มันเกิดขึ้นมานเป็นตัวชีวิตแต่เรารู้ไม่ทันนี่มันเกิดภพชาติขึ้นมามากมายเหลือเกิ น, นเป็นหน้าของอัตตาตัวตนต่างๆเป็นคําพูดเป็นวาท ะ, ะเป็นอุปทานกับคําพูดเป็นอุปทานกับร่างกายของเราเป็นหน้าของศีลผลัด ปลาธานต่างๆการยึดแบบตามสังคมบัญญัติสังคมนิยมต่างๆ ต, ตามกฎกติกากฎหมายที่มันมีอยู่ทําให้เราดําเนินชีวิตเกิดการไม่เบียดเบียนกันแบบสากล น, นิยมเป็นแบบสากล น, นิยมก็หมายถึงว่าข้อตกลงที่มันมีกันอยู่ถ้าผิดสัญญาถ้าล่วงละเมิดกันก็หมายถึงว่ามีบุคคลที่3ามก็ามากํากับ ผู้รู้วิญญชนหรือว่าบัณฑิต ท, ที่เราให้ความเชื่อถือผู้ใหญ่ใจดีต่างๆที่ท่านใช้ชีวิตผ่านร้อนผ่านหน า, าวมาเมื่อเราเหมือนกับว่าไม่เข้าใจกันก็ต้องใช้บุคคลที่สามคนกลางแล้วเราก็เชื่อถือกันแล้วก็เลิกแล้วต่อกันต่อไปอันนี้เป็นของสมมุติบรรจัตที่มันมีอยู่เป็นล้านนาของสมมตินะ ที่มันอาจจะเหมือนกับว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งเกิดศีลขึ้นไหมศีลห้าศีลแปดศีลสิบเราก็ได้เห็นว่าเออเครื่องที่มันจะทําให้เราดําเนินเดี๋ยวว่าความรู้สึกตัวเนี่ยมันทําให้เราเห็นลนักณะของศีลประตูอุ ป, ปาทานพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นไหมหรือว่ามันเป็นลณะของอุปทานะที่มันยึดมั่นในขันห้า รูปขันหรือว่ารสนิยมของนามขันต่างๆยึดในวิญญาณตาดูก็ยึดต่างตาหูฟังก็ยึดทางหูหยึดเสียงนี้ฉันชอบก็ยึดเอาไว้เสียงนี้ฉันไม่ชอบก็ยึดเอาไว้กลายเป็นสุขกลายเป็นทุกข์ไปยึดรสนิยมของอารมณ์ที่เกิดขึ้นมามากมายนะ ความโลภความโกรธความหลงความรักความชังความวิชาลิสยายึดไว้จนเป็นจริตนิสัยเป็นโทสัจริตเป็นโมหจริตเป็นโลภจริตเป็นพุทธิจริตเป็นนากษณของวิตกจริตมากมายเหลือเกินมันก็เกิดจากความไม่รู้รู้ไม่ชัดเกิดจากการที่เราไม่เคยฝึกไม่เคยหัดไม่เคยได้ยินได้ฟัง เมื่อเราน้อมเข้ามาปฏิบัติมันจะต้องนะมีความรู้สึกตัวแล้วก็เห็นนะไปตามลําดับไปตามขั้นนะของอารมณ์ปฏิบัติอย่างนั้นใหม่ๆก็จะเห็นของหยาบๆที่สุดอาการที่บัญญัติที่สุดอย่านะี้จนกระทั่งมันเริ่มที่จะหลุดพ้นแบบหยาบๆนะมีวิมุติเกิดขึ้นแบบหยาบๆถนะูกกังที่มันรู้สึกตัวจิตใจมีปิติเกิดมาเกิดความปลาโมดขึ้นมาเกิดความสงบระงับขึ้นมานะ เกิดความเบากายเบาใจขึ้นไหมเกิดความอิ่มเกิดความสุขเราได้เห็นกันปฏิบัติว่าเกิดความเบื่อเกิดความวิตกังวลเกิดความเครียดหรือว่ามีน้ำหนักเกิดความไม่พอใจนะพวกนี้เราก็ได้เห็นกันที่เราสร้างความรู้สึกตัวการเคลื่อนการไหวสร้างจังหวะเดินจงกรมหรือว่า เราสังเกตตัวเองขณะที่ทํางานทําการไปก็จะมีสิ่งที่มาแทรกแจงไม่ชวนให้เรามีสมาธิตั้งมั่นเกิดความต่อเนื่องกับสิ่งที่เราทําต่อไปอย่างนี้นะก็ะเห็นชาวบ้านบางทีเขาก็มีธรรมะนะเขาไม่ได้มาปฏิบัติธรรมอย่างเราเราะนะแต่เขาก็มีจิตใจที่ตั้งมั่นกับการทํางานเยน็ยนเย็นอย่างเช่นข้างๆรัววัดเนี่ยเขาจะมีการ อ, อทําไม้เส้นไหมอะนะ เส้นไหมแบบทางอีสานซึ่งก็ไม่เคยเห็นมา ก, ก่อนทีนี้เวลาเราเดินเข้าไปในหมู่บ้านโทรศัพท์สมัยก่อนนะเราหันตายไปเจอบ้านที่ก็ทำไหมก็แวะเข้าไปดูเห็นเออแม่ขามนี่มีธรรมะเนี่นะแกนิ่งๆิ่งเย็นเย็นพูดจาธรรมดาธรรมดาน่งสาวไหม มือก็กสาวไหมไปเรื่อยๆอยเงี้ยสาวไหมไปใมือขวาก็ดึงนี่ก็ปั่นบางทีมือซ้ายก็กเอารูดมือขวาก็หมุนลอ้อนิ่งๆนะแล้วก็ใจเย็นๆเสมอต้นเสมอปลายไปเรื่อยๆพอมือซ้ายก็กระทบไอ้ปมใหม่ ก็จะดึงมาแล้วก็มาเกียเกียขี้ขี้ใครใครดูถ้ามันไม่ได้เป็นปมแน่นก็จะดึงดึงออกถ้าเป็นปมมันมัดแน่นมันดึงไม่ออก ก, ก็ตัดแล้วก็ผูกต่อตัดช่วงหนึ่งแล้วก็วางเอไว้แล้วก็เอ า, า, อาช่วงที่มันดีๆมาต่อกันอันนี้เป็นเกศที่หนึ่งของเกศเองนะปั่นปันหมุนพอไฟมันอ่อนก็ก็หยิบปืนมาใส่เฉยๆนิ่งๆเนี่ยนี่ แล้วพอมันร้อนไปก็ดึงออกเี้ยเราสังเกตก็ทําแบบนิ่งๆทําไปได้เรื่อยๆสบายๆอย่างเงี้ยอามากมาอู้เรายกมือสร้างเขื่อนไว้มันก็เหมือนกับสาวใหม่เราสังเกตมันเคลื่อนได้เรื่อยๆล้วมันสะดุดตรงไหนมีปมมีเงื่อนภายในจิตใจอะไรที่มันสะดุดโผลอกมาเป็นอาการทันทีจิตจะลาบเรียบปกติไปเรื่อยๆบางทีมันเพ่งมันเกรงเกินไปอันนี้ก็เหมือนกับสาวใหม่ไม่เป็น เหมือนกับเราเจริญสติไม่เป็นเพราะว่ามือใหม่หัดฝึกอะไรก็ตามแต่เราก็ยังทําต่อไปอันนี้จะไม่ได้คิดถามผู้อื่นแต่บางทีอาจจะเงี่ยหูฟังจากการเทศของหลวงพ่อครูบาอาจารย์ต่างๆสมัยก่อนก็จะ ม, มีการพูดตรงๆกะนเไม่มีจริงๆอย่างที่เมื่อ2วันก่อนหลวงพ่อกลมเทศไว้ไม่มีครูบาอาจารย์บอกอะไรเป็นตัวสติอะไนความรู้สึกตัวอะไรเป็นรูปเป็นนามอะไรไม่มีมีแต่ไปไปทํานำ เดินจงกรมอย่างน้นถึงเวลาก็มาร่วมกันกินข้าวถึงเวลามาทำวัดเสด็จมณ์พอเสร็จแล้วกับไปอย่างเงี้ยแต่ว่าในสายงานเนี่ยมันมันถ้าจะว่าไปในความสูงตัวเองมันเสียอยู่อย่างคือใช้ไมโครโฟนมากเกินไปแล้วก็เสียงดังเกินไปแล้วก็พูดกันมากมายกายกององเงี้ยแต่ถ้าลองปล่อยให้ทำนะประเดียวได้เรื่อง จะเห็นเงื่อนเห็นปมในจิตในใจของเราเลยเมื่อก่อนเรายิ่งคิดนะยิ่งคิดยิ่งดิ้นยิ่งรัดยิ่งแก้ปัญหาด้วยการคิดยิ่งปวดหัวนะแต่พอเรามารู้สึกตัวเราแก้ด้วยการกลับมารู้สึกตัวให้หมดเลยจะคิดอะไรก็ตามแต่พาเวลานี้ไม่ใช่เวลาคิดออกมาจากความคิดทั้งระบบเลยเสร็แล้วเราเห็นว่าความคิดมันเกิดขึ้นมาเยอะจริงๆคิดเท่าไหร่กลับมาเท่านั้นคิดเท่าไหร่ก็ตาม ให้กลับมาสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวนะอย่าไปหารายละเอียดในการคิดเด็ดขาดเลยเพราะมจะเป็นคิดซ้อนคิดทันทีพอเป็นคิดซ้อนคิดอย่างเงี้ยนะพอมคิดแล้วมันเพลินพอป็นคิดแล้วมันเกิดอาการที่เรียกว่าปิติเกิดจากการคิดบางที่มันมีอยู่คิดถึงความเดียงผู้อื่นคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงหลายๆอย่างความภาคภูมิใจมันก็จะเกิดปิติขึ้นมาอย่างเงี้ย ก็จะกลายเป็นว่าปิติมันเกิดเป็นอารมณ์นะแล้วเราชอบปิติพอใจปิติมันจะไปติดยึดอยู่ตรงนั้ น, นะก็เป็นอุปท า, านนะเพราะนั้นมันเกิดอุปาทานขึ้นมานเป็นความเห็นทิฏฐิอุปท า, านเราเห็นอย่างนี้เราก็ยึดความเห็นเราไว้แล้วเราก็ยึดความคิดของเราไว้มัเป็นทิฏฐิเป็นจริตนิสัยอย่างนี้ยะบางคนก็คิดจนบ้าบุนไปเลยนะนะ คิดจนบ้าบุญจนกระทั่งไม่ได้ปฏิบตัติกายเป็นไปทําบุญอะไรมากมายแล้วเกินก็ไม่ใช่ไม่ดีแต่มันบอกถึงว่าทั้งชีวิตเราไม่เคยทําดีในการก่อนในการเก่านะเป็นชีวิตที่เรียกว่าไม่เคยเลยนะมีแต่เอามีแต่เอาม่ได้เห็นแก่ตัวพอท้ายสุดอยู่กับโลกไม่ได้นะแล้วก็ทรัพย์สมบัติหมดไปอย่างเงีนะ้ยก็กลายเป็นคนที่ล่นเลน่นประเนจรนไลหัวนอนปลายเท้า แต่แล้วก็จะบพัดจับภูเข้าวัดปฏิบัติประเภทนี้ก็จะเป็นและนะ้วนะขวาถให้ทําดีก็ น, น่าดูละอ่านออกจริงๆนะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นลักษณะของความเห็นแตกต่างกันไปแต่ถ้าเข้าถึงความรู้สึกตัวนะ น, นี่จะอยู่ยากนะแต่พอคิดทําอะไรนะั่นมันโล่งโปร่งนะหรือว่ามันทําแล้วมันเสพ บ, บุญนะพอลมบุญมันหมดไปมันก็ยาวบุญใหม่ขึ้นมันก็จะทําดีตลอดไปอันนี้นะ ให้กลับมารู้สึกตัวให้มากต่าที่จะมากได้คิดดีก็อย่าเพิ่งทําแล้วเสร็จแล้วก็ไปอยู่ในกรอบของสังคมที่ให้เราทําจะมีข้อกําหนดมีกฎมีเกณฑ์มีกติกาเขาจัดสร่นให้ทําความรู้ระดับนี้คุณไปทําอย่างนี้ความรู้ระดับนี้ไปทําอย่างนี้จะชี้ให้เราทําให้คุณไปทําเลยนะนะแล้วคุณจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาแต่ถ้าขาดสิ่งไหนไปหาสิ่ง น, นั้นเติมมันจะขนขวายทําในสิ่งที่เราชอบก็ให้สังเกตให้ดีๆ แต่เราชอบตัวไหนขาดตัวไหนอยากเรียนรู้ตัวไหนเดี๋ยวจะไปหาตัวนั้นเรียวกว่ากำลังสร้างบา ร, รมีทําดีให้ถึงพร้อมเราจะยังไม่ได้เข้าถึงตัวจิตตังภาวนาอย่างแท้จริงได้เห็นชัดๆเลยบางทีเราก็เป็นลักษณะของเสนาวิชิกาเป็นลักษณะของการทำอะไรก็เป็นเสน า, าอยู่ตลอดเวล า, วลาไม่เคยเป็นลักษณะของยกจิตยกใจขึ้นมาให้เป็นลักษณะน า, นานตัวเองเกิดจการนําตัวเองแล้วก็พึ่งตัวเองให้ได้ เมื่อเราพึ่งคนอื่นคนอื่นเขาไม่ให้พึ่งการนี้เราจะพึ่งตัวเองไม่ได้แล้วก็อ่อนกําลังเดี๋ยวเราก็จะหมดเรี่ยวหมดแรงและท้ายสุดเราก็จะไปหาเป็นไม้เลื้อยพันผู้อื่นใหม่นก็คือไปหาต้นไม้ใหญ่พันผู้อื่นใหม่เราก็ได้เห็นเป็นกาฝากต่างๆพวกนีน้ก็จะมีอยู่ในสังคมของเรามันก็จะเกิดมาจากการที่เรารู้จักความรู้สึกตัวการเคลื่อนการไหวทุกๆขณะแล้วก็ เห็นนะจริงๆอุปทานขันทั้งห้ามันเป็นตัวทุกข์เมื่อเรายึดกายมันก็ทุกข์เพราะกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมื่อเรายึดความคิดเนี่ยมันก็จะมีสัญญาสังขารวิญญาณมีเวทนาเกิดขึ้นมาในจิตคิดทั้งนั้นเลยนะเป็นขันธ์สี่ขันธ์จนไอขันธ์ขันธ์เดียวก็คือไอตัวรักขโมยคิดที่มันเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอขันธ์ห้าเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์ นะแต่เราเผลอหลงเข้าไปแ ต, แต่เรารู้เท่ารู้ทันนะมีลักณะของสตนะิมีปัญญาสมาธนะิเราก็จะได้ใช้เป็นพ่วงแพร่แลใช้เป็นวัตถุรูปธรรมนามธรรมที่เป็นอุปกรณนะ์เป็นความบริสุทธิ์เป็นธรรมะเป็นธรรมชาตนะิที่มันจะเป็นคำตอบนะให้เราได้ใชนะ้ชีวิตของเราอย่างผาสุกต่อไปนะเราก็เลยมีเครื่อง ไมยเครื่องมือมีอุปกรณ์พร้อมแล้วตอนนี้อีกอย่างก็คือลักษณะของสติปัฏฐานที่เรานําสติสัญชาตญาณกลับมาที่เคยออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะกลับมาจนตั้งเห็นตัวเห็นตนของเราโดยเฉพาตัวตนที่เกิดจากจิตคิดนะตัวนี้ร่างกายของเราก็เกิดจากนะบุญธรรมการแต่งบุญมันทำไว้ยังไงล่ะกา ร, ร ม, มันแต่งไว้ยังไงมันก็เป็นเราอยู่ทุกวัน พ่อแม่เรียกว่าพันธุ ก, กรรมหรือว่าล้านกรรมของพ่อของแม่ที่มีวิธีการใช้ชีวิตวิธีคิดของท่านแล้วก็ใส่ข้อมูลของสังคมให้กับตัวเราแล้วเราอยู่กับสังคมตำบลอำเภอหรือว่าจังหวัดของเราภูมิชาติกําเนิดธรรมชาติโดยรอบก็หล่อล้อมเราแบบนี้เรามาอยู่ที่วัดป่าสุขโตกัน เราก็เห็นว่าความรู้สึกตัวมันจะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่มันแยกออกมาเลยความเป็นปกติมันแยกออกมาเราก็ได้เห็นในรายละเอียดของพบปุ่มทั้งปวงที่มันเกิดที่กายที่ใจของเราร่างกายของเรามันก็แสดงอาการของมันที่มันเคยติดอย่างเช่นว่าคนติดกาแฟนะเมื่อวานได้ทราบข่าวว่าขนาดให้กาแฟแล้วก็ยังไปที่ครือีกนะ ไปเจอแล้วก็ยังไปข อ, อน้าร้อนก็กินอีกนะไหนใครเป็นคนคนได้ยกมือกันเนี่ยยกมือแล้วไม่ถูกไม่ผิดถามใชยเฉยยงสูงนั่นเนี่ยแล้วไหนเนี่ยนะก็เรียกว่ามันติดที่กายเนี่ยที่กําลังเทศกาลังบอกกนะันเนี่ยมันติดแลไท้ายสวดก็คือเราก็ยังตามม า, มาใช้มันอีกนะอยู่ที่วัดนะแทนที่จะใช้ชีวิตให้มันเป็นเรื่องแปลกแยกไปเล ย, เลยนะ จากโรภายนอกก่อนเถ้าเสพจึงติดถ้าติดจึงอยากก็อยากจึงเสพถ้าเสพจึงติดเราตัดไม่เสพไปเลยกรรไม่ทําอะทําไม่ทําไม่เสพก็ไม่ติดนะทำไม่ติดนก็ไม่อยากเมื่อที่นี้เรามาลดมันละมาเลิกอยู่แล้วยังตามไปเอามันอีกอันนี้ไม่สารเสริพนะ่ะบอกนะจะสารเสรญก็แล้วนะที่เราพยายามที่จะฝึกฝืนฝึกฝนตัวเองนมันง่วงนอนไม่นอนเนีน่ฝึกฝืนฝึกฝนเอง มันอยากไม่เอาอย่างเงี้ยฝึกฝืนฝึกฝนตัวเองอ่าเนี่ยก็จะเป็นแล้วไหที่เราก็จะกลายเป็นว่าเกิดอิสระภาพขึ้นมาจริงๆจากเครื่องบวงรัดที่มันเคยลักษณะที่ว่รทำให้เราเนะีเกิดอาการยิ่งดินยิ่งรัดนะวิธีคิดต่างๆยิ่งทำํำนะคิดพูดทํานึ่นก็ยิ่งไปกันใหญ่แล้วแต่รเราก็ยางที่จะฝึกตนสอนตนกันอธนะิพจนนี่ก็เป็นความปรารถนาดีนะ กาเดนมุ่งมั่นพัฒนาไล่อะไรเราก็เคยมีประสบการณ์ในชีวิตตัวเองเนะี่ยไม่ติดกาแฟอะนะไรเลเมื่อก่อนเคยนั่งโต๊ะเขียนแบบทุกคนก็ติดกาแฟกันหมดแต่ส่วนตัวเนี่ยจะใช้โอนตินเพราะกาแฟมีคาเฟอีนเรารู้อยู่แต่โอตินมีอะไรหลายๆอย่างที่มันช่วยเราอยู่ดื่มโอนตินร้อนๆกาแฟนี่ตอนหลังมาดื่มเหมือนกันเพราะว่าญาติยมถวายให้เวลานั่งรถเนี่ยนะ ตัวเขาอยากจะเดิมมาไะนะขับรถไปห่วงนอนไปก็อาจารย์สักแก้วหนึ่งไหมคะก็นี้ตักบาตรนะึกห้ามถามแต่ยอมมากล้ามาเลยนี่เล่นถามกันเอากาแฟไหมคะแล้วก็เฉยอเฉยก็นึกว่าเอาอะนะโยมก็ซื้อมาให้ก็นี้เราจะไม่ดื่มก็ได้เพราะใจก็เป็นบุญนะโ ย, ยมการที่เขาให้เรารู้ว่าใจก็เป็นบุญลราอ่านออกอยู่เราไม่ได้ร้องขอเสร็จแล้วเราก็เลือกจะจะเดิมหรือไม่ดื่ม ถ้าไม่เดิมก็เป็นวิปวัตันหาไม่ชอบไม่เอาครั้นจะเดิมมันก็มีพิษมีภัยก็มา น, นึกถึงเออพระเจ้าเนี่ยคงจะดำหรี่แบบนี้แล้วมั้งก็คือใครควรก่อนที่จะฉันอาหารของนายจุนทะอนะคือพระเจ้าเนี่ยบรรลภาพโดยการฉันอาหารอาหารเป็นพิษชื่อว่าสุกรมันตะวะเป็นอาหารของนายจุนทะ เสร็จแล้วก็รู้ว่าเออมันไม่ดีนะอา่านเรได้ยากมากแล้วก็ว่ากันว่าเป็นเหตุชนิดหนึ่งแล้วก็บางทีก็ยังไม่มีความชัดเจนนะยังถกเถียงกันอยู่ว่ามันคืออะไรกันแนะ่สุกปรกมันก็หมูอ่นะนี่มันคือเนื้อหมูเปล่านะเนี้่การ น, นี้ก็ยังถกเถียงอยูเออมันคืออะไรก็ตามเอาไปว่าประวัติก็บอกว่าฉันข้างในจนท้ายแล้วก็คือมรณภาพสเสด็จดับขันวันนี้ผ่านกว่าอาหารมื้อนี้ละ ในไทยสุดเป็นเมืสุดท้ายของเจ้านไอเราใครควรกาแฟนี่จะดื่มดีไม่ดีคาเฟอีนอก็เฉยๆก็แล้วกันดืมด่มใจใจเฉยๆอะไรมันอยู่ตรงหน้าแล้วก็เรียนร่วมจะเป็นยังไงปรากฏว่าคนอื่นก็ดื่มเป็นไงไม่รู้นะเขาว่ากันว่าง่วงดื่มแล้วหายง่วงแต่ว่าส่วนตัวน่ะดื่มแล้วก็ง่วงพอาดื่มกาแฟไปนั่งหาวง่วงยมเป็นไหมใครเป็นบ้างยกมือด้ อ่ามีคนเหมือนอาตมาเป็นเนี่ยไม่เชื่อเดี๋ยววันนี้โชว์มาให้อาตมานะเออหาเแน่เลยอะ่ะวันเนี้ยจ้องไปนอนละมันมันแพ้ทางกันนจริงๆเพราะฉะนั้นลองดูนะบางทีมันมีความแตกต่างก็ลองทํำดูบางทีไม่เดื่มก็ได้กาแฟอ่าถ้ามีสติจะเดิมก็ได้ก็ไม่เป็นไรมันเกิดการพยายาิจารณาเป็นปัญญาได้ต่อไปอย่างนี้นะ เพรนความรู้สึกตัวนี้เราดูๆแล้วนะมันจะเป็นตัวกลางๆโยมมันจะไม่ใช่บวกแล้วก็ไม่ใช่ลบไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกมันจะเป็นปกติธรรมดาธรรมดานี่แหละถ้าจะต้องทําก็ทําแบบธรรมดาธรรมดามาหยิบมาใช้เพื่อที่อยู่กับโลกก็ได้โดยไม่ต้องขัดแย้งก็ไม่ว่ากันแต่การที่เราเดินไปที่ครัวนะอย่าทำเลยอันนั้นคือไปได้วยความอยากแล้วแต่ที่อยู่มีใครก็ชงมาให้อา้าวอยู่ๆแม่ครัวใจดีวันนี้มีกาแฟเลี้ยงเอาเลยโยม มันมีแล้วก็ทำไว้แล้วอย่างเงี้ยได้มาด้วยบุญนะการอยู่การขบฉันต่างๆเราก็จะมีความแปลกแยกไปจากที่เราเคยใช้ชีวิตนะไม่อยากรับประทานก็ต้องรับประทานอย่างเงี้ยของไม่ชอบก็ต้องทานนะอย่างเมื่อวานเชิญไปที่บ้านบ้านหนึ่งก็ทําบุญเราก็พิจารณาอาหารดูมันมีข้าวคุกกะปิทีแรกเราก็หยิบข้าวสวยมาแล้วเราก็ เริ่มที่จะแบ่งเพราะว่าเป็นเบาหวานอยู่น้ําตาลเกือบสองร้อยนะตัวในนี่แปดกว่าละวคราว น, นี้เราก็พิจารณาว่าหมอสั่งไว้ให้ฉันน้อยๆล้วก็เตรียมเอาข้าวมาจะแบ่งจะภาพมาข้าวคุกกี้เนี่ยทําเองไงนะเนี่ยแม่ต้อยทําอย่างเงี้ยข้าวคุกกี้ทาไงแล้วทีเนี่ยจะภาพก็อยู่นะีเราก็จําเป็นเอาข้าวคุกกี้มาแล้วเราพิดารณโอ้โหหมูโอ้โ ห, ห มันมีอะไรหลายๆ า, ายอย่างที่มันเป็นคอเลสเตอรอล น, นะกะปีิก็ทํามาจากเคยจากกุ้งเห็นไหมเรารู้จักได้เคยตาดําด้วยอย่างเงี้ยพอเห็นอยู่มันตาดําๆเต็มไปหมดเลยในะกะปินะดูออกพี่นายแยกแยะได้โอ้โหแล้วจะให้เราฉันรับรองได้งานนี้วันนี้เนี่ยมึนหัวแนะ่จริงด้วยนะพระฉันเข้าไปเนี่ยมึนหัวมืึนหัวเลยขนมหวานนี่ไม่แต่เลยเพราะเรารู้แล้วน้ําตาลเกิน มันจะบอกทันทีเลยเวลามีผงชโลนะลิ้นมันจะพล่หมาเลยปลาหมดเลยนะในปากในปากมันจะเจอเจอมาเลยเราก็สัมผัสได้อันนี้กนะ็คือความเป็นปกติเมื่อกายเราเป็นปกติเรารู้อะไรที่ผิดปกติเป็นไปยังไงกันนะแล้วก็จิตของเราก็เหมือนกันเวลาเขาเกิดความคิดขึ้นมานะมันไม่ปกติอ๋อมันไม่ปกตินี่แหละเราก็ดึงกลับมา สู่ความรู้สึกตัวใหม่รือว่าเวลาไม่สติสติก็จะไปรู้แล้วก็จะไปปรั บ, ป ร, บปรับข้างในจนกระทั่งมันรู้สึกว่าปลอดโปร่งขึ้นมาอาการโลงอกโลงใจมันเกิดขึ้นนะนนี้แหละมันก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าการเดินทางหรือว่าพัฒนาการในการจะทําอะไรก็ตามก็เกี่ยวข้องกับตัวเราเนี่แหละนะก็จึงเป็นหน้าของการยามิตนทะที่เราก็แบ่งแปลนกันนําเสนอกัน เคยเกิดไงคิดมุมมองแล้วก็ท้ายสุดสรุปจะประเด็นออกมาเป็นการปฏิบัตินะเอาละเห็นว่าสมควรกาลเวลาสำหรับเช้านีนะ้ก็ขอให้แล้วหนาของการมาอยู่ร่วมกันแล้วก็การประพฤติปฏิบัตินะเกี่ยวข้องกับปัจจัย4ี่ภายนอกแล้วก็ปัจจัย4ภายในภายนอกก็คือที่อยู่อาศัยยาราาักษาโรคอาหารเครื่องนองุ่งห่มต่างๆภายในก็คือสติสีสมาธิสองยัญญะ ตัวปัญญากนะ็ขอให้การบบทำของเราทั้งหลายนั้นก็จมเป็นไปเพื่อการพัฒนาจิตนะให้เกิดล้านาของการเดินทางสู่การพ้นทุกขนะ์ได้พบกับความเป็นโพติจิตนะยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้าการทุกท่านทุกคนนั้นเติน